Thank mm -hmm. you. ก็ได้ผู้เรื่องการฝึกจิตการรักษาจิตเพื่อไม่ให้กิเลสมาทำร้ายบัทอรจิตใจเปรียบเหมือนกับมุงหลังคาบ้านให้ดีฝนจะได้ไม่อาจด้วยรถทำให้เปียกแฉะได้นะการฝึกจิตเนี่ยนะ้เจจาวาง วิธีการเอาไว้แล้วนะที่ ง, ง่ายคือทานศีลภาวนาการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเป็นการฝึกจิตชำระใจใรเหุที่ว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญเนี่ยก็เพราะว่ามันมันชาระจิตใจนะมันฝึกให้ใจเนี่ย มีโรค ก, กวดหลงน้อยลงนะมีความเพ่งกับตัวน้อยลงปล่อยวางมากขึ้นใจของเราถ้าไม่ฝึกมันก็สกปรกนะแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกด้วยทานศีลมันก็จะสะอาดขึ้นทื่เขาเรียกว่าทานละศีลเป็นบุญก็เพราะเหตุ น, นี้แหละเพาว่าบุญเนี่ยแปลว่าความดีก็ได้นะหรือแปลว่าสิ่งที่ชาระใจให้สะอาดก็ได้ ถ้าเราจะทำบุญก็เพื่อชำรจะจจให้สะอาดอันนี้จะดีกว่าแต่คนส่วนใหญ่นะชาวพุทธเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยก็เหมือนกับสะสมแต้มนะอันนี้มีความเข้าใจที่แพร่หลายทั่วไปว่านะทำบุญมันก็สะสมแต้มทำบุญเยอะๆจะได้แต้มมากๆพอได้แต้มมากๆก็เอาแต้มนั่นแหละนะไปแลกเป็นเงินเป็นลาบ เป็นโชคจะได้มีอายุวันนะสุขพะพันละจะได้ประสบความสําเร็จเนี่ยอยากได้อย่างนี้แหละก็เลยไปทําบุญเยอะๆเนีอันนี้เปรียบว่าทําบุญมันก็ทําแต้มเอาแต้มไปแลกถ้าได้แต้มสูงๆก็แลกได้เยอะหน่อยนหรือเปรี่ยนมันก็ว่าทําบุญเยอะๆจะได้มีเงินฝากในธนาคารมากๆ เสร็จแล้วก็เบิกเอาเงินในธนาคารไปใช้เนะี่ยอันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ดีเท่ากับว่าทำบุญเพื่อชำระจิตใจเช่นทำแล้วเนี่ยนะให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วเนี่ยมันมีความโลภน้อยลงมันมีความหลงไหลในการมาสุขนะในสิ่งเสพน้อยลง มันก็มีความอยากน้อยลงพราะมีความอยากน้อยลงแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขสบายถ้ายังมีความอยากอยู่มันกย็ยังอยากจะไปเอาแต้มไปแลกเป็นของใช้เป็นของราคาแพงหรืออยากจะเบิกเงินจากธนาคารไปซื้อนอนซื้อนี่แต่ถ้าเรามีความอยากลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นนะที่จะไปซื้อนอนซื้อนี่ นถ้ายังมีความอยากอยู่นะมันก็ยังต้องอยากจะได้แต้มนะไปเปลี่ยนเป็นบ้านเป็นรถเป็นแก้แหวนเงินทองหรือเอาเงินในธนาคารนี่ไปซื้ออะไรต่ออะไรมากมายได้แล้วก็ยังไม่พอใจนะคนที่มีมีความร่ำรวยแต่ว่ายังทุกอยู่ก็มาก คนที่มีอายุยืนยาวแต่ทุกอยู่ก็มีไม่น้อยนะคนที่มีอายุยืนอาจจะเป็นเพราะทาบุญมาเยอะนะแต่ว่าทาไม่ได้ฝึกจิตรักษาใจนะมันก็ยังทุกข์นะทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทุกเพราะยังรวยไม่พอทุกเพราะว่าร่างกายมันแก่ชาราอายุยืนก็จริงแต่ว่าแก่ชาราก็ กลุม อ, อกกุ้มใจนะเพราะว่ามีความยึดติดว่าฉันต้องไม่แก่นะอายุยืนแต่รู้สึกว่าแก่มันก็ไม่มีความสบายใจนะแต่ถ้าฝึกจิตไว้ดีเออแก่ก็แก่ไปนะมันก็ธรรมดาแต่ฝึกจิตแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องสายภาวนานะแค่ทานศีลไม่พอต้องภาวนาด้วยภาวนาคือการ ฝึกจิตอย่างตรงๆงเลยนะการให้ทารักษาศีลนี่มันเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องกับทรัพย์อย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับกายวาจาอย่างถูกต้องแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็ต้องฝึกจิตเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยคือภาวนาและภาวนาเนี่ยที่ได้บุญมากเนี่ยก็เพราะว่ามันทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงโดยตรง ภาวนา น, นี่ก็ถือว่าได้บุญมากนะผู้เจ้าเคยเปรียบว่าเนี่ยเพียงแค่เจริญเมตตาจิตเนี่ยนะเจริญเมตตาจิตมันก็ได้บุญมากกว่าการถวายอาหารถึงสามร้อยหม้อนะอันนี้เปรียบให้เห็นชัดๆเลยนะผู้เจ้าเปรียบเองนะว่าเนี่ยทําอาหารสามร้อยหม้อถวายพระเนี่ยนะ ทำเป็นวันทำเป็นอาทิตนะแต่ว่าได้บุญน้อยกว่าการจะเลยไม่ตาจิตจะเลยไม่ตาจิตมันได้บุญเพราะอะไรเพราะว่าทำให้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเนี่ยมันหายไปจากใจบุญเนี่ยเป็นเชื่ อ, องความสุขนะความหมายของบุญนั้นคือความสุขเมื่อกี้บอกไปแล้วบุญเป็นสิ่งชำระใจถ้ามันชำระใจให้ หายโกรธนะหายเกลียดนะอันนั้นก็สิ่งที่ตามมาคือความสุขและนี่แหละคือบุญนะบุญเป็นชื่อของความสุขสุขในที่นี้คือสุขใจหลายคนให้ทานรักษาศีลไปแล้วก็ยังมีความโกรธความเกลียดอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกที่ใจนะเขาคิดแต่ว่าให้ทานรักษาศีลเพราะเป็นการทำบุญจะได้สะสมแต้มมากๆนะ จะได้มีความสุขความเจริญในวันหน้าจะได้ถูกรัตตรีนะ่ในวันหน้าหรือว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นคนร่ำคนรวยในภพน้าจะไม่ได้คิดที่จะชำระจิตใจเลยนะเมื่อไม่คิดจะชำระจิตใจมันมีความโกรธความเกลียดความโลภอยู่ความโกรธมันก็เผาใจความเกลียดมันก็ทิมแทงใจ นะความโลภมันก็บีบคั้นใจแต่ถ้าภาวนานะภาวนาภาวนานี่ก็คือการฝึกจิตทำได้หลายวิธีการที่เราแผ่เมตตาเจริญเมตตาจิตน่ก็เป็นภาวนานะเมื่อทำแล้วใจเย็นใจหายรุ่มร้อนนะอันนี้ก็เรียกว่าบุญเกิดขึ้นแล้ว แล้วเกิดขึ้นทันทีเลยนะเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอว่ารถถูกรตเตอรี่เมื่อไหร่ไม่ต้องรอว่าวันหน้าจะได้ร่ารวยอันนี้พระเจ้าถึงรตรัสว่าเนี่ยนะเพียงแค่จะเลยแม่ตาจิตเนี่ยมันก็เท่ากับว่าได้ทำบุญด้วยอาหารถึงสามร้อยมอการที่เรามาสวดมนต์เนี่ยนะ มันจะเป็นภาวนาก็ได้นะบางคนมาสวดมนต์พาะหวังหวังทำแต้มนะจะได้บุญเยอะๆแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายของการสวดมนต์เนี่ยบุญก็เกิดขึ้นกับเราทันทีที่เราสวดเช่นขณะที่สวดก็พิจารณาถึงอนุถึงคุณของพระตัตฐไตร อันนี้ก็เรียกว่าภาวนาเป็นการเจริญอนุสติอนุสติคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอนุสติ3าประการนี้ก็อยู่ในภาวนาที่เรียกว่าอนุสติสิบนะอนุสติ10บเนี่ยก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะถ้าหากว่าเราลึกถึงศีลที่ได้ทําความดีที่เราได้บำเพ็ญ เราก็เรียกว่าศีลานุสติท่นนึกถึงการเผื่อแผ่ให้ทานและจิตใจอิ่มเอิบปิติปราโมดนะเช่นไปซื้อชีวิตวัวควายไปไถ่ชีวิตเขาให้เขาพ้นจากความตายหรือว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจนให้เขามีข้าวกินช่วยคนเท่าคนแก่ให้นะมี ความช่วยที่สุขสบายซื้อยาไปให้เขาเนี่ยหรือว่าเอาเงินไปถวายพระเพื่อสืบต่อพระศาสนาพอนึกถึงและใจมันสบายเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าจาคานุสติตนี่ยบุญเนี่ยเ ร, เ, รเราลึกถึงไว้อดีนะมันทำให้จิตใจเกิดปิติภาโมท ถ้าใครถรสวดมนต์เนี่ยนะถ้าเราสวดแล้วเนี่ยไม่ใช่สวดเป่าวปๆ่ปลา่ปล า, ลา่สวดไปปากพูดใจลอยมันไม่ได้นะไอ้บุญนะมันจะได้บุญก็ต่อเมื่อสวดไปแล้วเออเกิดความระลึกถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงแล้วเป็นยังไงเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัยศรัทธาเนี่ยเป็นบุญนะช่วยช่วยทําให้จิตใจเราเกิดความปิติปลามโมด มันเป็นเครื่องช่วยตักช่วยเตือนไม่ให้เราทําชั่วอแต่ทําชั่วก็นึกถึงพระรัตนนาฏตายแล้วมันก็เกิดการดับยั้งชั่งใจหรือว่าเวลาท้อแท้ท้อถอยพอเราทําความดีแล้วทําไมยังลําบากอยู่ยังยากจนอยู่เออเรารึ้ถึงพระรันตนนาฏใจเกิดศรัทธามันก็หายทุกข์นะอันนี้แหละนะคือภาวนาได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราสวดมนต์แล้วนะ จเจริญอนุสติไปในตัวด้วยหรือว่าสวดมนต์ไปแล้วจิตมันสงบจิตเป็นสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาได้ขณะที่สวดก็มีสติใจมันจะลอยไปไหนก็ดึงมันดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวดมนต์มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่สวด น, นะใจไม่ลอยเข้าใจความหมายของบทสวด อันนี้ก็ว่าได้เจริญสตินบางทีบทสวดเนี่ยมันใกล้ๆกันเพียงแต่เปลี่ยนคําว่าพุทธังเป็นธรรมมังหรือเปลี่ยนธรรมมังเป็นสังคังถ้าไม่มีสติมันก็แทนที่จะทํามังก็พุทธังนะแทนที่จะทําเมก็สังเคไปนี่ยอันนี้ก็มันก็เตือนเราว่าเตือนเราแล้วนะว่าไม่มีสติแล้วเมื่อถูกเตือนอย่างนี้แล้วก็กลับมาเอาสติ เอาจิมาอยู่กับการสวดมนต์เราก็เป็นการภาวนาได้นะการสวดมันก็กลายเป็นการภาวนาได้ตามลมหายใจก็เรียกอนาปานาสตินะนี่ก็ภาวนาก็อยู่ในเรื่องสติปัฏฐานเหมือนกันและลึกถึงความตายของเราอยู่เสมอว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่สวดเมื่อกี้เนี่ยเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบเป็นความตายไปไม่ได้ พิจารณาไปนะนึกถึงวันที่เราต้องตายนึกถึงวันที่เราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกเมียผัวคนรักพ่อแม่งานการทั้งหลายบ้านที่ดินนะมันก็เป็นการเจริญมรณาสติได้นะแล้วยิ่งคิดแบบนี้มันยิ่งทำให้เราอยากทาความดีไม่อยากทําความชั่วไม่อยากลักขโมย ยืมเงินใครแล้วก็จะได้ไม่คิดจะเบี้ยวไม่คิดจะชักดาบนะก็หาทางจ่ายชำระหนี้ไปไม่คิดจะคดโกงมันก็ทำให้การรักษาสิ่งของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ครบ ถ, ถ้วนมากขึ้นไม่บกพร่องไม่ทนะลุและที่สำคัญคือภาวนานะเพื่อสร้างความรู้สึกตัวนะ เพื่อเจริญสติความสึกตัวการทำให้มีสติรักษาใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้วางวิธีการเอาไว้แล้วบอกแบบแผนเอาไว้แล้วสติปัฏฐานสสรุปง่ายๆคือนะให้ตามดูรูปกายกับตามดูรู้ใจตามนี่ไม่ต้องไปจ้องไปจี้นะตามหมายถึงว่า มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยไปรู้นะเหมือนกับเราเดินตามหลังนันะใจมันใจมันคิดฟุ้งซ่านอ้าวก็มารู้ทันเมื่อมันคิดแล้วถ้ามันยังไม่ทันคิดก็จะไปจ้องเพ่งมันนะบางคนไปจ้องเพ่งว่าเมื่อไหร่มันจะคิดนะเมื่อไหร่มันจะฟุ้งนะไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปรู้ทันมันนะงั้นถ้าเรา มันดูกายดูใจเนี่ยเวลากายทำอะไรใจก็รู้สึกนะรู้สึกคือไม่ได้รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะหมายถึงว่ารู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหวเท้ามันเดินหรือว่าตัวกาลังขคัีบนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกให้มีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันสตินี่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่าเครื่องผูกจิตนะผูกจิตไม่ให้ลองลอยไปไหน ไม่ให้ไหลไปอดีตไม่ให้ลอยไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่ทําให้อยู่กับการสวดมนต์หรือถึงแม้ไม่สวดมนต์นะจะทําสิ่งที่มันดูเหมือนไกลวัดไกลธรรมะเช่นล้างหน้าถูฟันนะอาบน้ําอันนี้มันก็ให้ทําความรู้สึกตัวได้นะให้มีสติรู้ว่ากําลังทําอะไรทําอย่างนั้นเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมนะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาเวลาทําอะไรเอาใจใส่ลงไปในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมหายใจเนี่ยแทนที่หายใจลดทิ้งไปเปล่าๆก็เอาใจใส่ลงไปในลมหายใจไม่ว่าเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าอนาปานาสตินะเวลาเราล้างหน้าถูฟัน เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอุจจาะปัสสาวะเราทำความรู้สึกตัวพอเราเอาใจใส่ลงไปในการกระทำนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมล น, นี่เรียกว่าการเจริญสติเนละนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแค่เอาใจใส่ลงไปในสิ่งในทุกอย่างที่เราทำนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่วัดแต่อยู่บนรถอยู่บนถนน อยู่ในห้องน้ําก็ปฏิบัติทำได้ภาวนาได้นั่นมันไม่ใช่เรื่องยากอยู่ในไร่ในนาอยู่ในสวนอยู่กับลูกอยู่กับหลานเวลาจะพูดอะไรไปก็เอาใจใส่ลงไปในคําพูดนั้นก็คือพูดอย่างมีสตินะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างมีสติเนี่ยไอ้ที่จะพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกพูดต่อว่าด่าทอ ด้วยความโกรธมันก็ไม่มีจริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะมันก็ไม่มีความทุกข์นะมีความรู้สึกตัวหมายความว่าตัวกับใจเนะีมันอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่ปล่อยใจลอยปล่อยใจหลงมีสติเอาจิตผูกอยู่กับตัวแต่ไม่ใช่ถึงกับไปเพ่งนะไปจ้องนะให้ ให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายสบายๆก็เกิดความรู้สึกตัวเมื่อมีความสึกตัวเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้คนที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่มีความทุกข์นะอาจจะทุกข์กายนะเช่นปวดเช่นเมื่อยนี่ธรรมดาคนที่มีความสึกตัวเนี่ยมันไม่มีความคิดจะทําความชั่วนะไอ้ที่คิดจะทําชั่วหรือทําชั่วไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวมันหลงมันหลงเพราะอะไรเพราะกิเลสครอบงํา มันลงเพราะจมหายเข้าไปในความอยากในความโกรธความเกลียดนะีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเมาชนิดหนึ่งนะเมาเนี่ไม่ใช่เพราะเมาเล่าอย่างเดียวนะเมาอารมณ์เมาความคิดเนี่ยก็ได้เหมือนกันไอ้ที่ทะเลาะบ่อแว่งกันเนี่ยมันเพราะมันเมาอารมณ์หรือว่าที่เถียงกันเพราะคิดไม่เหมือนกันนะที่ ทะเลาะ ก, กันเรื่องการเมืองเนี่ยเพราะมันเมาความคิดนะมันปล่อยให้ความคิดเนี่ยชักลากชักจูงไปมันปล่อยให้ความคิดเนี่ยมาเป็นนายนะความคิดเนี่ยมันสั่งให้ด่าคนที่คิดต่างจากเรานะเราก็ทํามันสั่งให้ตัดพี่ตัดน้องกันเราก็ทำํำนะอันนี้ทําด้วยความหลงก็ไม่ต่างจากคนเมานะคนเมานี่มันก็ พูดอะไรด่าอะไรก็ทำไม่ได้ตามสบายบางทีงก็ด่าพี่ด่าน้องด่าพ่อด่าแม่คนที่ทำงันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเมาเมาล่างเดียวเนาะมันเมาอารมณ์เมาความคิดนะเมาทิฏฐินี่ก็ทาได้เหมือนกันอันนี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวนะแค่ทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะโดยการหมั่นเจริญสติ ทำอะไรใจก็รู้สึกนะหรือว่ารับรู้เวลาคิดนึกอะไรใจก็รู้ทันหรือว่ามีสติเห็นไม่เข้าไปเป็นไม่ทให้ไม่ปล่อยใจใเผลอเข้าไปเป็นเนะี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็จะมีเครื่องรักษาใจนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์รักษาใจไม่ใหอยากทําความชั่วนะเพราะว่ากิเลสมันคลองใจไม่ได้ อย่างนี้แหละที่เราจะมีเครื่องรักษาใจที่ดีกว่าดีกว่าไปไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งพาเครื่องรังของขังนะหลายคนเนี่ยไปหวังพึ่งพาเนะีเครื่องรังของขังหวังพึ่งพาอิทธิปาฏิหารนะของเทวดาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าใจมันไม่มีที่พึ่งนะใจไม่มีเครื่องรักษาก็หวัง ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นจะรักษาได้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะรักษาเราได้อย่างแท้จริงเคยมีหมอคนหนึ่งนะัรักษาหลวงพ่อเทียนเป็นหมอที่ดีแล้วก็มีความรู้แต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะเท่าไหร่วันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อเทียนว่าเครื่องรางของครั้งเนี่ยมันดีจริงไหมมัน มันขลังจริงไหมมันมีอนุภาพจริงหรือเปล่านะหลวงพ่อเท่งก็ไม่ตอบตรงๆแต่ถามว่าคนทำเครื่องรางเนี่ยตายหรือเปล่านะก็ได้คาตอบว่าคนทาเครื่องรางขลงขังตายไปแล้วนะคนที่ได้เครื่องรางขงขลังมาก็ตายไปแล้วนะที่เขาได้มานี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาหลายมาหลายรุ่นแล้วนะหลวงพ่อเทยงก็บอกว่าเนี่ยขณะคนทําเครื่องรางยังตายเลย แล้วจะไปหวังว่าเครื่องลางของขังมันจะทำให้เราไม่ตายได้ยังไงนะท่านก็ตอบง่ายๆนะเป็นความจริงที่คนไม่ได้นึกถึงนะคนทําเครื่องรางไม่ว่าจะขังแค่ไหนก็ตายแล้วทั้งนั้นนะก่อนตายก็อาจจะเจ็บจะป่วยไอ้คนที่มีเครื่องรางของ ข, องของังนะก็ตายไปแล้วทั้งนั้นนะแล้วก็จะตายต่อไปเผลอๆ เ, เนี่ยนะ ถ้าไม่มีสตินะมันก็ตายเพราะเครื่องรางของขังนี่แหละมีนักศึกษาคนหนึ่งนะพ่อรวยกลางคืนนะก็ไปฉลองกันกินเหล้ามีปาร์ตี้กินเหล้าจนเมาจะกลับบ้านขับรถกลับบ้าน เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกว่าเนี่ยฉันขับเองเนะขอไม่ยอมเขาจะขับรองที่ขับเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดอาการเรียกว่าอ้วกนะมันจะอ้วกก็เลยหยุดรถตอนที่หยุดรถเนี่ยเขาทุเรียนหยุดรถแถวแจ้งวัฒนะลืมทางเนี่ยมันมีคลองมันมีคูน้ําก็หยุดรถลงไปอ้วกรองที่อ้วกเนี่ย พระสมเด็จที่ห้อยคอเนี่ยมันเกิดหล่นลงไปในคูเสียดายก็จะโดดลงไปงมเอาพระสมเด็จเพื่อนก็ห้ามไมาอย่างงมพราะมันดึกแล้วแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เมาด้วยความเสียดายเสียดายเดียวไม่พอนะมันไม่มีสติเพราะถ้ามีสตินี่ก็อาจจะยังคิดสักหน่อยว่าระหว่างภาคเครื่องกับชีวิต อะไรจะสำคัญกว่ากันแต่พ่อเมาเนี่ยไม่มีสติและความเสียดายนะพักเครื่องก็เลยลงไปนะในครูไปงมหานะปรากฏว่าไม่ขึ้นมาเลยตายนะตายเพราะอะไรตายเพราะพระสมเด็จนะห่วงที่จริงไม่ใช่เพราะพระสมเด็จตายเพราะห่วงแหนพระสมเด็จนะและประกอบกับมีความเมา เนี่ยขณะพระสมเด็จนี่อย่าไปคิดว่าจะช่วยปกปักรักษาเราได้นะถ้าหักเมาเนี่ยถากเมาเสื็แล้วเนี่ยแม้แต่พระสมเด็จก็ช่วยไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเหตุให้ตายด้วยซ้ำนะถ้าทำไมถึงจะไม่เมานะมันก็ต้องมีสติถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวมีความจับยั้งชั่งใจเนี่ยมันก็ไม่เผลอทำสิ่งที่มันเป็นอันตราย มีเครื่องรางของขลังหรือว่ามีพระที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะในบ้านมันก็ไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้นะากว่าใจนมันยังมีกิเลสยังมีความหลงอยู่แทนที่จะไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเนี่ยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในใจดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะอันเทอร ม, มไว้ในใจได้ก็นี่ก็คือนี่แหละนะ อินทรีห้าหรือว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอินทรีห้าคือศรัทธาปัญญาวิทยาสมาธิสติเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาไว้ในใจเนี่ยมันประเสริฐที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้นะอย่าไปมัวแต่ทำบุญเพราะหวังเพียงแค่ทำแต้มเยอะๆ หรือเพราะคิดว่ามันจะมีเงินงอกเงินในธนาคารจะได้เบิกเอามาใช้นะจะได้เอาแต้มไปแลกเอาแก้วแหวนเงินทองบ้านที่ดินรถยนต์นะหรือว่าตำแหน่งสูงๆนะถึงได้มาก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเพราะว่าของเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงนะเงินที่ได้มาเพราะบุญอํานวยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงลาบยศ ตำแหน่งที่ได้มาเพราะบุญหนุนส่งมันก็ไม่ใช่วัาเที่ยงนะแล้วก็เมื่อไรจะได้ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะฝึกจิตฝึกจใจของเราไว้โดยการภาวนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญอนุสติ10บหรือว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นี่นะภาวนาในพุทธศาสนามันมีถึง40นะเาเรียกกรรมฐาน4ี่ แค่นุสตินี้ก็สิบเข้าไปแล้วนะมีฌานอีกนะแล้วก็มีสติปัฏฐานอีกเราไม่ต้องเอามาก น, นะเอาแค่สติปัฏฐานสี่ก็พอแล้วเพราะว่าพูุ้ทธเจ้าบอกว่าเป็นทางสายเอกที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นแม้แต่ทานศีลทาเยอะๆมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะช่วยทำให้หลุดพ้นนะมันช่วยไม่งั้นแต่ว่าเป็นเป็นยังไม่ทำให้หลุดพ้นโดยตรงเป็นแค่ตัวช่วย ถ้าจะหลุดพ้นโดยตรงก็สติปัฏฐานเศนี่แหละเพราะว่าถ้าหากว่ามันดูกายดูใจอยู่เสมอไม่ใช่แค่รู้ทันเวลามันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะเห็นความจริงที่กายและใจมันแสดงออกนะความจริงนั้นคืออะไรก็นิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละ ที่จริงไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ดูนะเวลาเวลามันแสดงตัวมาหลวงพ่ออมเขียนในตอนที่ป่วยนะครั้งแรกเนะี่ยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อปีสีเก้าเนี่ยเขาบอกอุสบายนะอะไรๆแล้วก็มีคนทำให้หมดเลยจีวรก็มีคนซักให้นะอาหารก็มีคนนำมาถวายถึงเตียงเขาบอกท่านก็แค่ดูนะดูดูดูไตรักเนะี่ย นอนอยู่บนเตียงดูไตรักนะสบายนะดูอันนี้จังทุกขังอนัตตามันแสดงตัวออกมาไม่ต้องไปยกมือสร้างจังหวะไม่ต้องไปเดินจงกลมเลยแค่ดูเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็แสดงไตรักแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเราดูเป็นนะมันก็จะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมซึ่งช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าลาบยศสารเสริญจะ จะไม่มาหรือถึงมาแล้วก็หายไปเพราะมันไม่เที่ยงถึงแม้ความเจ็บป่วยถึงแม้ความหนุม่มความสาวมันจะหายไปกลายเป็นความแก่ความชาราถึงแม้ว่ความปกติสุขจะหายไปเพราะมีความเจ็บป่วยมาก็ไม่ทุกนะมันทุกแต่กายใจไม่ทุกเพราะว่ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองปัญญามาจากไหนปัญญาก็มาจากภาวนานี่แหละกิจการ ดูดูของจริงนะดูกายดูใจไม่ใช่ไปดูของที่มันสร้างขึ้นมาเช่นไปดูนิมิตนะไปดูนรกสวรรค์ที่จิตมันสร้างขึ้นอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาภาวนานี่ไม่ใช่ไปดูของเทียมดูของจริงที่มันเห็นชัดๆนี่แล้วนะคือกายกับใจที่มีอยู่แล้วนั่นแหละแล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นปัญญาคือการเห็นความจริงนะ จากเริ่มต้นจากการดูของจริงก็จะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมและวสัจธรรมเนี่ยทำให้จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างนี้แหละหนะ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้ทําให้ไม่ได้พระสมเด็จ ก, ก็ทําให้ไม่ได้เทวรูปนะพระพรหมก็ทําให้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธรูปที่ครั้งศักดิ์สิทธิ์แค่ไก็ทําให้ไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองก็ทําให้ไม่ได้นะของนี้ต้องทําเอง ทำเองก็เห็นเองแล้วก็ได้รับอ น, นิสง์เองนะเอาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาอ่ะ